ไปได้ตุ่มน้ําที่มันรั่ว <S <S เอเอนะอย <ลง S 2> ให้ตุ่มรั่วเนาะหลวงพ่ออีกหน่อยครัจุดอ่อนของโยมก็คืออยู่ที่ความฟุ้งซ่านกับไม่มีแรงแล้วมีอะไรเพิ่มคือถ้าฟุ้งแล้วมันก็ไม่มีแรงแหละนะง่ยแก้ที่ฟุง้งนั่นแหละบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปไม่งั้นอุตสาหภาวนานะแต่เราไปฟุ้ง เ, เหมือนตุ่มรั่วเติมน้ำเท่าไหร่ไม่เต็มสักทีเหมือนๆจะเต็มแป๊บเดียวหายไปครึ่งตุ่มแล้วนะ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 ตั้งมั่นมันก็มีแค่นิดๆหน่อยครับอืตอนนี้ก็มีประคองประคองไว้อยู่ครับรู้ทันอย่างเนี้นะไม่ให้มันถลําว่าพอละเงี้ยค่อยตั้งเองอ่ะไม่ไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการฝึกให้รู้สึกตัวได้ถูกต้องนะให้ใจตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นครานี้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเห็นมันทํางานไปแต่รู้สบายสบายรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานอยู่นะ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 ใครเอาวิธีสอนหลวงพ่อเนี่ยปิดจดที่อเมริกาอะไรเงี้ยได้ไหแล้วห้ามหลวงพ่อสอนทําได้ปะไม่ได้เนะ mm hmm. าะเนี่ยต้องถามนักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ดีพวกหน้าด้านมันมีนะเนี่ยปิดจด <laughs> บอกของมันจริงธรรมะของพระพุทธเจ้านะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เลของพระพุทธเจ้าสาสองเชิญ เรียนขนาดนี้กำลังดีนะเยอะๆไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้ใครจะทำอะไรยุกยิกเห็นหมดเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพูดให้เครียดเลยอย่างนั้นแหละ <c oughs> อ้าวชวช่วงนี้หลงบ่อยครับมีโมหะไหมก็มีครับมัวมัวไหมมัวๆครับโอ้ทาไงดี <c oughs> คือช่วงนี้ทำงานกับเวลาทำงานศิลปะแล้ว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 เพราะว่าก็เริ่มจะใจกังวลไปคิดแทนพ่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะดูไปเลยสินะจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> ถึงเรากังวลพ่อก็ไม่หายป่วยค่ะ <c oughs> แต่เรา <c oughs> เราจะป่วยอีกคนนึงแล้วก็มีอีกสภาวะหนึ่งค่ะคือสวดมนต์อยู่แล้วนัสมาธิแล้วดูเวทนาอยู่แลค่ะแล้วทีนี้ยังไงก็นึงกกังวลว่าเดี๋ยวต้องไปหาข้าวให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยลุ ก, กออกจากสมาธิแล้วลืมว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกเป็นเน็บชาขาก็เลย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 ถ้าอยู่ในรถหนูอาจจะตายได้พอหนูคิดว่าแทาหนูออกมานอกรถมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นซูนามิแล้วหนูก็คิดหนูจะตายแบบไหนแล้วหนูก็เห็นว่าหนูอ่สับสนแล้วหนูก็กลัวด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าแทาตายตอนนี้ตกนรกแน่เลยแล้วเหมือนกับว่าหนูยังหาวิธีตายไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่จะตายแบบนี้ตอนนี้มันมีไงคะแล้วไม่รู้จะตายยังไงอะคะหลวงพ่อเดี๋ยวมันตายเองแหละ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 ก็เหมือนกับมันก็กดไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงช่องสามสิบกว่า mm hmm. ทีนี้มันก็เห็นคนที่เขาเอาปืนยิงเด็กยิงคนอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ทีวีหนูก็ไม่ได้เปิดเสียงอยู่ดีอะค่ะ mm hmm. พอเห็นภาพหนูได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ mm hmm. เอ๊ะหนูก็พยายามจะฟังว่ามันเสียงอะไรกลายเป็นว่าหนูว่าอกหนูมันสัน่น mm hmm. แล้วเหมือนกับคอหนูก็สัน่น mm hmm. อ้อยเสียงที่หนูได้ยินงื้อเงๆๆอเงเป็นเสียงหนูสะอื้นอื อย่าไปดูมันิเลิกดูซะ <c oughs> แล้วมาดูจิตตัวเองไปเรื่อยไปดูมันทำไมล่ะเสื้ค่ะหนูถูกว่าแ้าตายอย่างนี้หนูก็ยังแย่อยู่เพราะกลายเป็นว่าหนูไม่รู้จะตายยังไงเลยค่ะคงอย่างนั้นแหละ <c oughs> ต้องอยู่ให้เป็นก่อนถึงจะตายเป็นนะอยู่ใับความมีสติไหมมีสติดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยๆถึงเวลามันจะตายนะจิตมันทางานของมันเองไม่พลาดท่าหรอก